จากมันระยะตอนนั้นแต่ไม่ได้กาหนดวันนั้นเลนมันไม่ได้ท่อวันที่หนึ่งที่สองัได้กนดวันนเดือนแมุายอันสาสิเัมสองัน้าร้อยยี่สสี่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดือนมกรา สองพันยยี่สิบเราเคยพูดกันเรื่องปีกับปีใหม่แล้วก็ทําบุญก็ต้องทําจนท้ายปีแล้ว ร, รับปีใหม่เราเคยพูดกันยังไงวันนี้พวที่ได้มารวมกันเรื่องมาปรุมกันที่มาประชุมในวันนี้ก็อาจามาได้รับยี่หมไว้จีบพวกลุ่ม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 หรือจะพูดในน้ํเดียวกเป็นกานสออายุพุทธศาสนาจะได้ดังนั้นเราเคยเรียนกันหลักพุทธศาสนานั้นธรรมเน้นเรียนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆกี่เดียวอาตมาเอมเคยเป็นเนรอายุ11ปีเคยศึกษาเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ11ปี เรียนหนังสือไม่เป็นหังสือไทยเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้จะเรียนตัวทําว่านอาตมาต้องเรียนตัวทําเขียนเป็นเวลาอาตมาเคยเขียนหนังสือเขียนเป็นตัวทำเหนียมือในจิตไปเอาไม้จานทำเป็นล้อเขียนหนังสือใครเขียนมากได้บุญมากแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมาต้องเขียนหนังสือเป็นธรรมะธรรเข้าใจไหมครับครูบาสอนอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้น นี้เป็นวิธีรู้จักรู้จำมาจากปูบาอาจารย์รู้จำมาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายสอนมาเรียกว่ารู้จักรู้จักรู้จักกับปิดามาดาปูบาอาจารย์สอนให้และพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้มาเ็รู้จักรู้จำรู้จักนี้ดีน้อยไม่ผน้อยกว่เด็ พูดยังนี้วันนี้นพูดเอวหรือพูดกล้าหาเพราะเราพุดกลจริงเพราะในระยะนี้เราทุกคนต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อทำคนใจตบตูเพื่อรทำจริงใจการรู้จํารู้จักนี้เราไม่หมดพูดจริงๆเพราะเราอยู่ในอย่างที่เราอยู่ในสาานี่เนี่ยเราปิดปิดปญแก ใสลูกก่อนข้างนอกเราออกจากสลานี้ไม่ได้นรา ก, ก็ต้องรู้อยู่ในวงสลานี้เองเราจะออกนอกสลานี้ไม่ได้แน่นอนที่สุดตอนนี้ที่จะมาเป็นยังไงตามปกติความรู้ที่อยู่ในคงอยู่ในสลานี่ออกสลาไม่ได้ก็เหมือนกับนกขังอยู่ในตูน้ขังอยู่ในกรงเคยเห็นนกเขาขังอยู่ในตูนไ้ไหมใครเคยเห็นเคยเห็นไหม ไม่ได้ตุ้น้ั้นออกตัวไม่ได้นะมันปิดไปอันนี้ก็เหมือนกันที่ผมรู้ที่เรารู้ในตำลักตำล่ารู้กับครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้จากรู้จักที่ว่าออกจากตํา่าไม่ได้เมื่อเราออกจากตํา่าไม่ได้เราก็ติดตํา่าก็เหมือนกับเราอยู่ที่ศาลานี่เองคนปิดกระแกข้างนอกแล้วเราไขาข้างในไม่ได้เราจะทํายังไงเราต้องมีผมรู้ หาวิธีขายไดออกไปจนได้เมื่อพูดเช่นี้อาตมาเคยเป็นในพอเล้องให้ฟังเป็นคนจีนในสมัยหนึ่งคนจีนแต่เป็นนิทานอาจจะเป็นคนสมัยนี้ก็ได้เพราท่านพูดเรื่องเป็นนิฐานมีตาคนหนึ่งเลี้ยงหลานนอนอยู่ในเตียงวันนี้ตาคนนั้นเลี้ยงหลาน ตาปกติมีลกส้มเขียวหวานหนึ่งลูกให้หลานเล่นหลานคนเล่นพอดีเล่นส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานก็หลุดมือลงไปพอดีหลุดมือลงไปก็ตุกตรงที่นะั้นอันนี้เป็นเรื่องของตาใจาบัา น, นี้มีผู้ไร่คนหนึ่งมีมีคนคนหนึ่งจะหาวิธีเรียนเป็นขโมยโดยไม่ให้ถูกจับพอผู้อีกควาง เราจะเอาเป็นวิธีหาวิธีละโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่จับและไม่ให้เจ้าของรู้อิสด้วยตามปกตินคนชอบขโมยของคนเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นเ ม, มื่อคนอื่นเห็นก็เสียซื้อเสียเกียรถึงเขาจับไม่ได้กเสียซื้อเสียเกียรติถ้าหากเจ้าหน้าที่จับก็ต้องติดคุกจิตอาสาอับอายขายหน้าก็าเลยไปหาอาจา ร, รย์ที่คน เคยสอนวิชีลักไม่เจอเลยวันนี่ก็ลงบ้านไปวันนี้เนี่ยสมมุติอย่างที่พวกท่านมาวันเนี้เนี่ยมาเห็นวิชีลักเดินไปเดินไปก็เห็นบ้านเนี่ยบ้านกับบ้านคนนั้นก็เป็นคนรักเลงโตคนนั้นเป็นรักเลง่งโตเคยลักมาแล้วไม่เคยถูกจับเลยก็เลยขึ้นไปบ้านนยายอตาคนนั้นกดพาหลานเล่นพอเด็กเข้าไปแล้วก็ไป ไปนอนใต้เตียงนอนอยู่ใต้เตียงของตาเนี่ยเพ่อตาก็ร้องเพลงกับหลานเล่นพอดีหลานปัดส้มเขียวหวานตกลงผู้ร้ายคนที่กําลังขึ้นไปรักของคนหาวิธีจะทํำยังไงเขาจะมาเอานี่เขาจะเห็นเราเมื่อเราไม่เอาลูกส้มเขียวหวานลูกนี้ออกไปเขาก็ตรงมานี่จริงๆเขาต้องเห็นเราวันนี้ คนนั้นคนรู้สึกทันทีรู้สึกว่าผู้ร้ายคนนี้เขาเป็นน้อยยุ่งตีน เ, เราเนี่ยพราะตาคนนั้นเป็นนักเลงโตเคยเป็นนักเลงโตใช่หว่าเคยนักเป็นอาชีพเลยไม่เคยเจ้าหน้าที่จับและเจ้าของก็ไม่เคยรู้วันนี้ก่อนลร้องเพลงอาชมาตลืมนะผมร้องเพลงนี้พอร้องให้ฟังตี่เมื่อเป็นเด็กจําไม่ได้ก็เลยพลิกส้มเขียวหวานออกมาข้างนอก พอดีพลิกต้นเขวี้ยนออกมาตาคนลองเห็นอ อ, อกมาเถอะอย่าซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนี้อะไรท่านพูดไปหลายเรื่องจังคนคนที่ไปเรียนนักเนี่ยก็เลยรู้เออเขาเห็นเราแล้วมั้งป่านีนะ้คิดละอายเนี่จังเราจะทายังไงคนนั่งคนเรียกให้ออกมาตาคนนั่งบอกให้ให้คนที่ไปนอนใต้เตียงออกมาออกมาดู คนนั่งก็เลยคนไม่ไหวก็เลยออกมาออกมาก็เลยมาถาม <c oughs> เพือมาเพื่ออะไรมาลักของลักกี่ครั้งแล้วไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สุดจะเรียนเอาไปลักของที่ไหนจะเรียนลักของเป็นอาชีพจะไม่ทำอาทํามาจะลักของกิน <c oughs> ออนี่ทำไมเข้ามาให้เจ้าของบ้านเขารู้จะลักของเขาได้นึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่รู้ เี่งกันเรื่องนี้หน้ามาเล่าให้พวกเราแบบพ่อเรามาปฏิบัตมาก็เลยจับตัวพ่อที่มาเลา่าพอดีตาเขเลยพูดกับคนนั้นว่าถ้าเธอจะลักของต้องมาเรียนกับสันสันเคยรักของมาไม่เคยให้เจ้าหน้าที่รู้จักและเจ้าของบ้านเขาไม่เคยรู้เอา้าตัดสินใจรัจกจะไปเย็นในบคนนี้เอาเย็นนี้ก็ต้องไปวันนี้ก็เลย สมมติเย็นวันนี้ก็ไปเลยไปก็พาไปเข้าห้องลานหอคนจีนนะเนี่ยผู้อาษาเรื่องคนจีนคนจีนไว้ผมคนจีนชอบไว้ผมผู้หญิงผู้ชายอาจจะตัดผมก็ได้ตามปกติเตรียมนอนมีสองคนผู้หญิงเดีย่ยกหัวมีนอนด้วยกันนอนด้วยกันทิงทิันนี้พอดีคนนี่ก็เข้าไปคนหัวหน้านี่เป็นใครเปิดประตูเข้าไปเลย เปิดประตูเข้าไปเร้แบบปิดไว้เปิดเข้าไปปิดไว้ปิดไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดตัวก่อนเสร็จปิดเลยแต่ว่าให้ออกได้แต่ไม่ให้คนอื่นมองเห็นสมมุติว่าเราจะเปิดเพียงไม่นอนสั้นที่แรกเปิดเข้าไปได้สั้นที่สองเปิดเข้าไปได้สั้นที่สามคือมีตู้เลื้อผู้หญิงกับคนจีนนอนอยู่โต๊ะอย่างนี้เนี่เสร็จตู้นั้นมันนี่ว่าหีบมีทองคํานีอะไะเอาหมดเลยคนนี่เอกมาหมด กดซุกให้คนที่ไปเรียนนี่เขาไปนอนไหนท่านเลยพอดีซุขคนที่เขาไปนอนก็ดูมันจะเป็นที่กำปั้นพอดีเข้าไปนอนขานาดปุ๊บอัดกระจายข้างนอกพอดีอัดประจายทางนอกแั้วแล้วคนนั้นก็เอาของเอาของคํานี้มาเลยเอานี้มาเอานี้มา น, นี้มาคนนี้ก็นอนนั่นคนเดียวนอนอยู่ในในที่ คิดไม่ออกแลที่มันตายปูทีเนี่ทําไมให้เขาตอกตับเรานี้ว แ, แม้เหล่านี้มันเรียนเอากันยังจริงจังเรียนเนี่ยวเรียนบทเรียนอันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาปฏิบัติธรรมะอยาเพิ่งเรียนธรรมะอย่างเที่ยวๆทางปกติคนไม่มีทางออกก็ต้องคิดอึดอัดใจอึดอัดคิดหาท่าทีจะทํำยังไงเราจะออกได้ คิดนานพอดีจวนสว่างขึ้นมาแล้วตาปกติคนมันตื่นตื่นก็เลยเราจะทำยังไงมันดูจะหายใจแรงหรือสอกไปอาจจะตำยานนี้ก็ได้ตำอีกทางผู้หญิงก็ตื่นตื่นก็เลยปลุกสามีเขาที่เสียงอะไรในตู้ิดในในหีบเราทุกวันไม่เคยได้ยินก็ ผู้ัวก็เลยมาเงี่ยงหูฟังเสียงอะไรดังคนหายใจมันดังแล้วทางผู้เมียเขามาฟังด้วยกันแย เ, เ, เก็เตรียมตัวเลยบัดนี้เตรียมตัวเราจะทำยังไงต้องไปเขามาเปิดต้องมาเปิดดูเสียงอะไรก็ให้กด แ, แจกดกแจกกัตามปกตินี่มันมีกระแจะเปิดเปิดแล้วมันต้องมีที่กำปั้นมันต้องซุกไปทุกมานะ ทุกไปทุกมาดังกอกคนหนก๊อกครั้ ง, ง, ง, ง, งนี้บรรลุจากพอเด็กเปิดขึ้นคนคนั้นกโผล่ออกมาทันทีเลยโผล่อมาคนคนจีนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสองคนในมองแบบตื่นเลยตื่นว่ามันผีก็เลยหลบตัวได้ออกประตูได้คนที่เป็นอาจารย์สอนไม่ได้ปิดคนแจ่แต่เพียงเปิดเข้าไปให้เปิดให้แต่ปิดไว้แต่เปิดไม่ได้ปิดคนแจ่คืออย่างที่ เปได้น้อยพอดีแลนด์ออกมาโควิดได้พังตัวนี้ออกไปได้พังตัวที่สองออกไปไพังตัวที่สามออกไปได้คือไม่ได้มีกคนแจก<ๆ>พเพียงแค่ปิดไปในน้อยตัวพอดีพอแบตเตอี่มันออกทันทีเอาไปเอาอันทีเอาออกทันทีเ อ, อ, อัเอาสามทีแล้วออกไปเลตามอาจพี่ว่าจะสอนผมเป็นนักเลงโตทําไมไปหักหลังผ ม, มเอาหักหลังทําไม พี่ว่าจะไปสอนผมให้ผมเป็นนักเลงไม่ให้เขาจับตัวได้ไล่ตัวทันอ้าเธอทําไมพูดอย่างนั้นก็ฉันสอนให้เธอแล้วเนี่ยสอนทําไมก็เอาเธอเป็นนอนไว้ในตู้ในหีบนั่นถ้าเธอไม่มีปัญญาเธอจะออกมาได้ไหมพูดอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนในฐานที่เราเรียนกับครูบ่าอาจารย์นั้นสําเด็กไม่ได้ถ้าหากคนในเรียนวิปัสสนาก็ตามเรียนอะไรก็ตามจะอยู่ในต่ อย่างที่พูดแล้วเราอยู่ที่สาานถ้าไปปิดกุญแจข้างนอกถ้าเราไม่หาวิธีออกแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะกดได้นังนั้นคนนั่นก็เลยต่อว่าต่อเถียงกันไปในเรื่องก็ดีแล้วเนี่ย ส, สอนเธอแล้วเนี่ยสอนให้เธอไปนั่งอยู่ในฮีบเธอออกมาได้เพราะใค่เขาออกมาได้เพราะผมที่คุณทำยังไงผมก็คิดไป ทิดไม่ออกแล้อนเอาสอบอะไรเนี่ยมันหันใจแรงเข้ามาเปิดมาเปิดผมก็ออกมาได้เพราะเธอก็ต้องจเปรินักของผมก็ต้องเรียบร้อยอย่างนั้นต้องมีความคิดต้องมีสติปัญญาเล่มสันสอนเธอแหละเพียงคําสอนนั่นมันเอาจริงเอาจังไม่ได้คุณต้องใช้สติปัญญาก็ เ, าเลยไม่ได้มีเรื่องได้ผลน่นก็ เ, เลยเป็นนักเลงหาทิ้งครับ หากินมาตลอดมาไม่ถูกจกับขณหที่ก็จับไม่ได้เจ้าของก็ไม่เห็นเพราะคนสอนนักกาเป็นนักเรียนโตมาแล้วคนนี้ก็เป็นนักเรียนโตมาแล้วดังนั้นเรามาพูดธรรมะการศึกษาเล่าเรียนพวกคุณคงจะได้เรียนอย่างน้อยต้องปริยาที่มานี่นะโดยพ่อเขาจะได้ปริยาทั้งนั้นใช่ม ป .4 ป .4 แล้วรบ uh, ับปริญาคงจะมีมากนะแล้วกับมัธยม6มัธยม8คงจะมีน้อยป .4 คงจะมีแต่คุณหรือจะไม่ครับเคุณเรียนท่าไหนม .6 เอาคุณเรียนท่าไหนมม .6 เอาคุณเรียนท่าไหนปริญาตีปริญาตีเอาหนูเรียนท่าไหนปริญาโทเอาหนูเรียนท่าไหนแหน มีแต่ปริญญาทั้งนั้นส่วนมากดังนั้นเรียนปริญญาตีปริญญาโทถึงปริญญาเ <c oughs> อกก็ยังมีเอาเลือกอะไรอันนี้ส่วนการหลักวิชาทางเรียนทฤษฎีนั้นเป็นทางทฤษฎีมีแผนทีเทนั้นเหมือนกับครูสอนให้ไปรับนั่นถ้าหากเราจะไว้อกไว้ใจกับการสอนนั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ อาตมาเองที่ได้ได้ยินจากพ่ออาตมาเล่ากระสิทธิ์ผไม่คิดอย่างนี้เลยไปปฏิบัติธรรมะเมื่อจะรู้สึกก็เมียงฟองตกแต่ขาอย่างไรคราวนั้นอาตมารู้จักเรื่องทุกแต่ทุกนั้นท่านว่าทุกในเรียนสัตร์คือทุกของอังอนาางันนี้อางนักต่างท่านสอนในขณะที่เรียนทุกขัง คนไม่ได้อันนี้จังแปลว่าเป็นามธรรมชาอนัตนตานีว่าบังคับบัญชาไม่ได้ท่านสอนเนี่ยบอกผมงอผมงอฟันหักเนื้อหนังไม่ปกติทีแรกมันเท่งมันตึงนานๆแล้ต้องแก่มาก็ต้องแห้งเข้าแควเข้ายอดยานไปไม่ปกติท่านเรียกว่าอนัตตาอันนี้ คำสอนของกูบาจาัดสอนมาแล้วบางคนปบวมัว้งนั่งนานเจ็บหลังเจ็บเอวนี่ว่ะเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอปวดหนออันยนี้ก็มีสอนมาก็ดนีนตามปกติที่อาตมาได้พิสูจน์ตัวเองอันนี้จะหาว่ากล่าวปวดอุตริมนุษย์น้ำคำก็จําเป็น ก็กูดมจริงให้ฟังอันนั้นน่ะมันมันเข้าใจน้อยตามปกติคนนี่ว่าทุกทนไม่ได้เทุกไปว่าทนไม่ได้คนได้ไหมห้ามจะให้คนอื่นไม่ดา่าเราไม่มีในยทุกทุกเจ็บหัวปวดท้องคนได้ไหมทนไม่ได้จะถืออันนี้เป็นทุกไม่ได้อัตอมาเข้าใจคนเยวต์ ทุกเจ็บหัวปวดท้องจําเป็นต้องไปหาหมอทุกเจ็บหลังเจ็บเอวถ้านั่งนานมันเจ็บเอวก็ต้องลุกทันทีย้ายมันนั่งอันนี้ก็พัฒนาไม่ได้ไมันต้องเป็นไปกินกินตรงนี้แต่เราจะแก้มันเองจะห้ามไให้คนอื่นไม่ให้โกรธเราเราก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวนี้เพราะคนด้วยกันอยู่ด้วันถึสองคนสามคนต้องมีคันทะเลาะ ก, กันว่าอันนี้ เมื่อมีการทะเลาะกันเราพอใจไม่พอใจมันเจ็บทุกข์อันนี้ก็ห้ามคนอื่นไม่ได้เราต้องข้ามที่เราพัฒนาได้ทุกเจ็บแย้งเจ็บผาเราก็เปลี่ยนไปแต่เราพิจารณาควาเป็นทุกข์จริงๆเราก็เปลี่ยนได้ผมหอกฟันหักเราจะพูดไปยังนี้ก็ได้อ น, นั้นมันเป็นอนสุภะทั้งสองหลายเรื่องอาจะพูดอย่างนี้อันนี้เป็นคําพูดในตาํารา เหมือนกับเราอยู่ที่ในศาลานี้เองเราออกนอกสาลาไม่ได้ตอนที่อาตมาที่จะออกนอกศาลานี้ได้อาตมาก็ามาพิจารณาเนี่ยปอบตกเสขาเนี่ยปอบเขเป็นรูปขาเราก็เป็นรูปเนี่ยปอกกขมีใจล้วก็มีใจเพราะคนทุกคนเกิดมาต้องมีกายกับใจแม่ขาดก็มีขาดใจอาตมาก็เลยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่า ในขณะนั้นเข้าใจไม่แก่ใสคำว่า น, นิพานบ่นเนี่ยอามาเข้ามานิ่งคำว่า น, นิพานนี่ตายแล้วจึงเอาเราปราถนากันว่าสุดที่นั้นวัตะเมทานัมอาสวาคจะวะขังหตุ่้ฆ่าปเจ้าทำหลายยินดีในทางการถวายของข้าปเจ้านี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวากองกิเลส <c oughs> เครื่องดองตันั้นท่านกล่าวว่าพระนิทานอาตมาพูดบว้ยังนี้ ก็จะมาเป็นคนนักทำบุญทำบุญเด็กอาตมาต้องการดิพานพูดได้เทศอยากไปดิพานอาตมาเป็นเด็กบ้านอยู่ไปวัดก็ไปเห็นฝาผนังสิ่งคนสมัยนั้นแต้มเป็นผ้าติดไว้ตามฝาผนังสิ่นบ้านอาตม า, มาเมื่อคนในธทมทุจริตเรียกว่าคนผิดศีลผิดธรรม ลิ้นเจ้าหัวลิ้นไอจัวลิ้นหัวคนอื่นเนี่ยอาจารมาพูดคนจริงนั่นเนี่ยเรียกว่านักสู้ต ส, ส, สาวอย่างนี้ทั้งหมดเลยคนจ้บผูนี้ตายไปต้องไปตกนรกพอดีไปตกนรกกับเจ้าอยุธยานะเอาโยนลงนรกเลยพอเดินโยนลงนรกมีมีมีแหลมเนี่ยสักโยนลงไปก็จมลงไปถึงก้นหมออน้ามันเดือดขึ้นมาก็สูขึ้นมาเคยถ้าอาจารมาพูดอย่างนี้พอที่จะเข้าใจไหม มันพูขึ้นมามันฟูขึ้นมาก่อนเลยบัดนี้ก็เอาหอกสักหัวลงไปกระจมลงไปสามครั้งก็ฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาก็มีมีแผ่นเด็กแผ่แผ่นเด็ดกใหญ่ๆเนี่ยมันแดด ก, ก็เอาผู้หญิงมาที่นอนที่ตรงนี้ก็มีเสื้อบรรทัดตีลงไปถ้าเป็นผู้สายข็เสื้อบรรทัดตีลงไปเลยมันทัดเคยรู้ไหมที่บรนทัดบ้า น, นอาตมาเคยเรูย้ไม่ต้องมีเสื้อพึ่งดีกว่าต้องตีดิปีบ๊บปั๊บตีเหมือนกับไม้ถ่วอหวเนะี่ มันติดทำไมหรือกดับดับพอออกขวนหากไม้ทากไม้ขวนก็ต้องเป็นเหล็กเหล็กแดงทากค น, น, านก็ทากมือกัะทากไม้คำว่าอาตมาว่าทากนี่เข้าใจไหมฟันไปอ่ฟันไปให้ได้ไดกับดิลดิความมันัดนี่พอดีมันตรงและแบบนี้ตรงแล้วก็เอาขึ้นต้นงิ้วเวลาขึ้นต้นงิ้วเนะนีน่ยหนามซ่องลงหมากัดทางใต้คือหมาข ปีนขึ้นไปน้ําซ่องลงเพราดีขึ้นไปถึงที่บนแล้วไปอยู่ที่บนน้ําตัวนิ้วจะไปซองขึ้นบนนี้แห้งขาดก็สับสีสันที่ลงมาอยู่ไม่ได้เขาต้องลงลงบนน้านิ้วก็ปักขึ้นไปอาตมาตลุดใจเรื่องนี้อาตมาที่เราไม่กล้าทำควรมผิดตั้งแต่ น, นั้นมาจะมากลัวกลัวปวดตะลกวันนี้เมื่อถึงกําหนดแล้วก็ลนลงมาถึงนะเอาไปโยนลงนรกอีกแล้วเอาไปโยนลงโลกก็ออกขึ้นมา เอาขึ้นมากับมนอนแขนแเดดๆเ่ยกรมาตีบรรทัจิตภาพหากจกมันซื้อตรงจริงๆนี่แนละเกาขึ้นมาอ ข, ขึ้นมากับมาเป็นเตกเป็นปฏิลาสารเป็นอัุษรกายเป็นน้อยอันพันยางเนี่ยที่ที่พ่อแม่เคยเคยสอนมาแล้วก็เห็นตามรูปภาพนั้นเห็นจริงๆเห็นด้วยตาอันเนี่ยไม่ไชไม่ไดเป็นฝันนะเห็นด้วยตาพระพันอาจามาเขาแต้มรูปภาพ เขามีคนสร้างแตแต่เป็นรูปจนะเป็นแถวไปเลยเมื<ป>่อมาบวกกันเลยมาศึกษาเลยอัตมาอยากคนคุกความจริง อ, อ <c oughs> ัตมาอยากเป็นพระเรียบุคลคพูดตรงๆเนี่ยอยากเป็นพระเรียบุคคลคำว่าพระเรียบุคคลเป็นอย่างไรเราไม่รู้พระโสดาคำว่ค <c oughs> ือว่าโสดาเนี่ยโทษถูกใจที่สุดชอบที่สุดอยากเป็นพระโสดาพระสกิทา พ, ะพะระอนาคา แม่ท่องขานอยากเป็นจริงๆอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพร ะ, ระประเระกดคิดไปร้อยอันพันเรื่องอันนี้เป็นผมคิดขึ้นมาเป็นผมคิดสมบัติคนบ้าไม่รู้นี่ผู้คนกินไปเมื่อมาทำกรรมฐานอาจารย์ก็สอนให้รู้จักนิมิตว่านิมิตต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆ ในสมาวนั่นเป็นเป็นเนียน้อยก็ท่านให้เอามือไปลูบเอามินหม้อเคยรู้ว่ามินหม้อที่มันดำในบ้านอตาตมาก็ทําตัวด้วยไ ฟ, ไ, ฟไม่ใช่ได้ใช่ไฟฟ้าพอเอามือไปแตะเนี่ยถ้าเห็นเสือเห็นผีเห็นเทวดาอะไรมาก็ตามตัวเอามือนี่แตะหน้าธรรมญาลูกนี้ท่านฝัาได้นั่งแต่ก็มีแต่หลับหลับปา้าังปากกะป๋คิดไปเห็นนั้นเห็นนี่ไปอย่างนี้ ไม่มีปัญญาเด้หลับได้วิธีนั่นอาตมากนนั่งอย่างนี้โทษนะทำให้ตูรู้นะต้องทำทำยิดมันมันเป็นขาเด็กๆขาแบบนี้มันขาดแนนีกับติก๊กนี่ไม่ใหมดเลยนไม่เอาอย่างนี้เอาแล้านี้ไม่ได้ต้อเอา มาทนี้มันโงดมาทนี้ขามันก็ไม่ออกจากการมันติดกันอย่านี้มาทางนี้มันก็ไม่ออกจากกันมันติดกันนี้หลับเลยไปทางนี้มันก็ไปไม่ได้ก็ไปอย่างนี้มาทางนี้มันก็ไปไปดันก็ติดอันนี้ทั้งหมดเลยหลับอาตมาหลับได้นอนหลับไม่เต้นหนอนนั้นๆวิธีเหล่านี้อาตมาทํามาพุทโธสัมมาอะระหังนับลือสองสามทองลุ ดูลงหายใจข้าวขอสัญญ้นยาวลมหยาบละเอียดอัตมาทมได้ปกสงบนั่งสงบได้สิบสองโมงก็ได้ยี่สิบสี่โมงก็ได้นั่งยันแต่เมื่อเลิกละจยาบสิตเหล่านั้นแล้วความดีใจเสียใจมมนยัง รู้จักวิธีสอนคนนั้นคนนี้ได้แต่ความดีใจเสียใจดอันนี้แหละจะมาคือไม่วาจากปุ๊บก็หามาจากนั้นแหละหามาจนอายุสี่สิบหกปีทำกรรมฐานมาตั้งแต่ตัวอายุสิบเ็ดปีถึงอายุสี่สิบหกปีช่วงอายุสี่สิบห้ามาถึงอายุสิบเอ็ดปีนี่อาจจะมาอยู่ในปุงม อยู่ในในห้องมืดอยู่ในโถงอยู่ในเือนจำเมื่ออายุสี่สิบหกปีอาตมาออกนอกฝุกออกนอกเือนจำออกจากโถงได้ไม่อยู่ในโถงไม่อยู่ในตะไคร่ของไข่ทั้งหมดเลยจะอยู่ในท้ายของพระเจ้ารณคนเดียวนอกจากพระเจ้ารณ์เราไม่เอาทั้งหมดเลยเข้าใจอย่างนไหมอาตมาที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้กมพูดด้วยความจริงใจ ได้รับวิมลมาแล้วก็ต้องพูดด้วยความจริงใจวันนี้ก็ต้องเป็นวันเปิดโอกาสวิธีปฏิบัติธรรมจริงๆเรื่องอื่นนั่นแก้ทุกได้น้อยแม้ทมําบุญให้ทานนักหาสินทำกรรมาฐานจะเลยวิพัสนา็ตะ ม, มันเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาทัา้คําว่าวิปัสสนานี่ตามตัวหนังสือเขาก็ดอย่างนี้วิปัสสนานี่ยแปลว่าดูแจ้งผู้จริง ตาเอาล่วงภาวะเดิมไปแล้แต่บัดนี้เรารู้กับตํารามันก็เป็นรู้จัำมันไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงมันคือรู้จำรู้จักมันก็ยังไม่พูกการรู้แจ้งรู้จริงก็เป็นวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเราไปกลัวตํารายุบเป็นวิปัสสนานม่ได้เมื่ออาตมาพูดในขณะนี้อาตมาไม่กลัวตําราไม่กลัวตำราไม่กลัวจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวจริงๆริอาตมาจะพูดกันะไรก็ตาม แต่เขาลบตำรานั้นบางทีอาจจะแปลผิดก็ได้แปลถูกก็ได้ให้พวกท่านทั้ ง, ทงหลายที่นรณงเองเดยกพ่อแม่ใครมีนะมไม่มีอ่าพ่อคุณอนยุกีเปีคุณ พอคุณยังนี้ตายไปจากคุณคุณอายุได้กี่ปีมยังได้สี่สิบสามสี่ิบสามปีนะเอาเพียงสี่สิบสามปีนะพอคุณต้องสอนคุณหลายเรื่องนะคุณจำได้ไม่พูดยังไงบ้างคำที่แรกคำที่แรกที่สุดพอพอคุณเนี่ยแนวสอนคุณครั้งแรกที่สุด ในการเป็นอยู่ผูตรงนี้แล้วอีกคาที่สองตอนยางไงพูดอยู่ที่ไหนหือต้องถามอะไรบ้างน้องคุบ้านนอกเวลาท่านพูดน่ะเวลาท่านพูดเวลาเท่าไหร่จำได้หมจำ้เป็นกลางได้เป็นานแล้วตอนนั่นเป็นวันอะไรเป็นวันที่คือวันสาร์ที่สี่จำไม่ได้เียง CCP น่าจะจไม่ได้นะเอาคุณ พ่อแม่คุณมีไหมปัจจุบันยังไปัจจุบันเนี้เมื่อก่อคุณมแม่คุณเรียกว่าตายนะคุณอายุญญ ก, กี่ปีปไม่เมื่อคำนวณ เ, เอาคข่าวก็ ไ, ได้คุณอายุญญ ก, กี่ปีถามอย่างนี้นะตอนตอนตอนยบบย้อนหลัง ยีิบสามประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีนี่นะเนี่พ่อคุณเคยสอนเรื่องอะไรให้คุณมากคําแรกที่สุดจำได้ไหมจาไม่ได้เพียงยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบปีก็ยังจาไม่ได้เอ้าคุณพ่อคุณสอนเรื่องอะไรทีแรกที่สุดอ๋อขึ้นยาตอนเกิดเลยดเต็มเมื่อคุณจําได้จะจําที่ไหนก็ได้น่ะที่บอกคําแรกที่สุดพ่อพ่อคุณสอนคุณ จำไม่ได้จำไม่ได้สวยเรื่องอันนี้แหละ <c oughs> เพียงแต่เราไม่ถึงลอยปี <c oughs> เราต้องพิจารณาเรื่องสำคัญนายที่ที่สงที่สามที่ที่สี่ที่ห้ที่เราจะลึกเรามาเรียนหนังสือเนี่ยนักทำตีนักทำโพนักทำเอ็ใครๆก็ตามที่พูดนี่ไม่ได้จะจบตีนะ <c oughs> คือพูดให้เรามีสติปัญญา <c oughs> ให้เราเอามาวินิจฉัยตัวเรา ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราไม่เอามาวินิจฉัยเราก็จติดจิเกียรให้ตํานมามัอาตมาคิดถูกคิดอันนี้มาเออเราเชื่อครูบาอาจารย์เออเราก็ติดอยู่ในคําพูดท่านนี้และบรรยุทธุบาอาจารย์นั่นก็ยังไม่รู้มีวิธัยสอคือครูบาอาจารย์ที่สอนเราจะต้องก็ไม่รู้ถ้านก็เพียงจำมาจากตนานามาตํานานั้นติดถูกท่านก็ยังไม่รับรอง เมื่อท่านไม่รับรองแน่บางทีท่านอาจจะโกงเราก็ได้ดังนั้นวิธีที่ทํามานั้นถูกทุกอันไม่ได้คิดารณาอาตมาไม่ได้ว่าถูกทุกอันแต่อาตมายังอยู่ในกลมเมื่ออาตมา ถ, ถอนตัวออกจากคนเออมันก็นดีแต่ว่าคนอย่างนั้นสอนอาตมาพ่อเขามีคนรู้อย่างนั้นก็ต้องสอนจะไปตำหนิเขาไม่ได้เพราะเรายัางโง่อยู่ในตัวเมื่อเราโง่อยู่แล้วเราจะสนาดได้ไหมสลาดไม่ได้เพราะเลยโง่อยู่ในตัว เมื่อเราสลานแล้วจะโง่ไหมเราสลายแล้วจะไปโง่ทําไมเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงเพราะเรียกวเราสนายแล้วเราสลาย แ, แล้วจะไปเอาคําพูดของคนที่พูดผิดมานี่เอาทําไมเขาพูดเรื่องของเขาไปเจอเรื่องของเราเราก็รู้อย่างนอาตมาจึงกล้าเยียวยัแรับรองคําพูดของตัวเองไปตรงกับคําสอนของพระเจ้าจึงสามารถจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาไว้ทำ ของคนโบราณท่านสอนเอาไว้วนเสียสละทรัพย์ก็ราาักษาอวัยวะคือรักษากายของบราวันนี้งอมเสียอวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งราะเรารักษาที่นิตเอาไว้เดมือเราอะไรแค่ขาเราอะไรอะไรเป็นทูตเป็นอะไรเป็น